วันนี้ก็เป็นวันพระวันพระเป็นวันธรรมะสวัสดิ์แปลว่าฟังธรมธรมธรรมะสวัสดิ์คือการฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมัสวัสดิเอตัมมังกลมุตตมังแปลว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการเวลา ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ก็คือทุก7เจวัน8วันคือวันขึ้นขึ้นแรม8คำ่ำกับขึ้นแรม15คหาคำเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนได้ยุติภารกิจการงานทาง การทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนาชาวไร่ก็ให้พักทํานาทําไร่หนึ่งวันเพื่อที่จะได้มีเวลามาปฏิบัติกิจทางศาสนาที่เป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งกว่าภารกิจการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง จำเป็นที่จะต้องเข้ามาฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกับอีกส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรามีสองส่วนมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจร่างกายเราก็ ทำมาหากินหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายที่เราทำงานกันนี้ก็เพื่อหาไรายได้มาจุนเจือเลี้ยงดูร่างกายของเราถ้าเราไม่ทำงานไม่มีไรายได้เราก็จะไม่สามารถเลี้ยงดูร่างกายของเราได้ร่างกายของเราก็อาจจะ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายได้งนั้นเราก็เลยต้องไปทำงานทำการกันเพื่อมาเลี่งดูร่างกายแต่มันก็เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรานี่มีสองส่วนมีร่างกาย แล้วก็ยังมีจิตใจจิตใจนี้ก็เป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของพวกเราพวกเรานี่เป็นเหมือนฝาแฝดมีแฝดพี่แฝดน้องร่างกายเป็นแฝดน้องจิตใจเป็นแฝดพี่จิตใจก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการเลี้ยงดูเหมือนกัน จิตใจก็จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่มาจุนเจือมาเลี้ยงดู่างกายมาเลี้ยงดูเหมือนกับร่างกายถ้าจิตใจขาดการดูแลเลี้ยงดูจิตใจก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เกิดความทุกข์เกิดความทรมานขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าเลยต้องสอนให้พุทธศาสนิกชนนี้ มาดูแลจิตใจด้วยไม่ให้เพียงแต่ดูแลร่างกายเป็นอย่างเดียวร่างกายก็ดูแลอาทิตย์หนึ่งก็แบ่งไว้หกวันกับหนึ่งวันหกวันนี้ให้เลี้ยงดูร่างกายอีกวันหนึ่งนี้เอามาเลี้ยงดูจิตใจซึ่งความจริงแล้วมันต้องกลับกันมันต้องเอา หกวันนี้มาเลี้ยงดูจิตใจแล้วเอาหนึ่งวันมาเลี้ยงดูร่างกายแต่เนื่องจากญาติโยมพุทธศาสนิกชนยังไม่มีความรู้พอที่จะเห็นความสำคัญของจิตใจก็เลยยังไม่สามารถที่จะสละเวลา มาให้กับการเลี้ยงดูจิตใจได้เพราะเห็นความสำคัญของร่างกายมากกว่าความสำคัญของจิตใจเพราะว่าหนึ่งร่างกายนี้เห็นได้ชัดเจนส่วนจิตใจนี้มองไม่เห็นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไป ถ้าเลียงดูร่างกายแล้วก็ถือว่าได้เลี้ยงดูจิตใจเช่นเวลาร่างกายได้อิ่มน้ำสำราญจิตใจก็สุขสบายไปกับความอิ่มน้ำสำราญของร่างกายแต่บางเวลาร่างกายอิ่มน้ำสำราญแต่จิตใจกับไม่สุขไปกับร่างกายก็มีเช่นเวลาได้ข่าวไม่ดีมา กำลังเลี้ยงฉลองมันเกิดกันมีคนส่งข่าวมาว่าคนที่รักตายไปใช่แล้วนีกำลังกินอาหารเลี้ยงอาหารร่างกายอย่างสุขอย่างสบายมีความสุขแต่พอได้ข่าวว่าคนที่รักตายจากไปใจก็เลยไม่ได้สุขไปกับร่างกายก็จะเห็นแล้วว่าความสุขก็ กับความทุกข์ความสุขของร่างกายกับความสุขของใจนี้มันมีเหตุไม่เหมือนกันเหตุที่ทำให้ร่างกายสุขก็คือเวลามีอาหารรับประทานเวลาหิวน้ำมีน้ำดืม่มเวลาหิวอาหารมีอาหารรับประทานความหิวค ว, หความทุกข์จากความหิวก็หายไปความสบายก็ตามมา แต่ถ้าใจไปได้สัมผัสกับเรื่องไม่ดีใจก็ไม่ได้สุขไปกับร่างกายอันนี้จึงเห็นชัดว่าใจกับร่างกายนี้ไม่เหมือนกันการดูแลจึงไม่เหมือนกันดูแลร่างกายก็ดูแลอย่างหนึ่งดูแลใจก็ต้องดูแลอีกอย่างหนึ่ง การดูแลร่างกายก็อย่างที่พูดไว้คือปัจจัยสี่อาหาร<ม>เครื่องนุ่มหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพอร่างกายมีปัจจัยสี่แล้วร่างกายก็สบายใจไม่ทุกข์ยากลำบากไม่ไม่ไม่เดือดร้อนไม่พิกลพิ ก, การไม่ ไม่ตายไปเพราะมีปัจจัยสี่คอยดูยแลอยู่ส่วนใจนี้จะสุขสบายอย่างร่างกายก็ต้องมีปัจจัยสี่เหมือนกันใจก็ต้องการอาหารเหมือนกันต้องการเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันต้องการยารักษาโรคต้องการที่อยู่อาศัยเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาหารของใจนี้ ไม่เหมือนกับอาหารของร่างกายอาหารของร่างกายนี้ก็มาจากพวกผักพวกข้าวพวกขนมนมเนยต่างๆเครื่องดื่มต่างๆกินเข้าไปแล้วร่างกายก็อิ่มท้องพองหนังตาก็หย่อนม่วงนอนอ ก, กินอิ่มแล้วก็อยากจะนอนเพราะมันสบายไม่อยากจะทำอะไร นี่คืออาหารของร่างกายอาหารของใจเป็นยังไงทำงางให้ใจอิ่มเหมือนกับร่างกายอิ่มบางทีกินอาหารอิ่มแล้วแต่ใจยังไม่อิ่มใจยังหิวอยู่กินอิ่มแล้วทีนี้ก็อยากจะไปดูหนังแล้วสิอยากจะไปฟังเพลงแล้วสิอยากจะไปหาแฟนแล้วส ใช่ไหมอันนี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะอิ่มใจไม่อิ่มเพราะอะไรใจไม่ได้อาหารให้แต่อาหารที่ร่างกายอย่างเดียวใจก็เลยหิววิธีที่จะให้ใจอิ่มก็คือให้ทำบุญทำบุญทำทานเวลาเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นเวลาเราใส่บาเนีย ให้อาหารกับพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์ก็ได้อาหารทางร่างกายไปเราก็ได้อาหารทางใจไปเราให้แล้วเรามีความสุขมีความอิ่ม mm hmm. วเวลาทําบุญแล้วจะไม่คิดอยากไปเที่ยวอยากจะไปหาแฟน mm hmm. พอใจแล้วมีความสุขแฮปปี mm ้ hmm. นี่คืออาหารของใจที่พระเจ้าสอนให้พวกเรา ทำกันควรจะทำกันทุกวันสมัยโบราณนี้เขาทำกันทุกวันเพราะว่าพระกับญาติโยมนั้นจะมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดกันอาจะต้องมาเยี่ยมโยมทุกเช้ามารับบิณฑบาตเพื่อให้ญาติโยมได้มีอาหารใจส่วนพระก็จะได้มีอาหารกายเป็นการแลกเปลี่ยนกัน พ้าเอาอาหารใจมาให้โยมก็ให้อาหารการกับพระไปโยมใส่บาตรแล้วโยมก็มีความอิ่มใจสุขใจใอ้เสียงมันขาดขาดหายๆนะเป็นพรานะน้ำพน้ำพงอนะ่ะไม่เป็นไรละเพราะนะถ้าเราอยากจะให้ใจเรามีอาหารเราก็ต้องทำบุญสมยัยโบราณเขาเป็น สู e agen, ่ตายตัวใส่บาตรทุกคนต้องใส่บาตรกันชาบ้านก็บอกถ้ามึงไม่ใส่บาตรมึงตายไปมึงไปเป็นเปรตเปรตก็คือพวกที่ดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วไม่มีบุญติดตัวไปไปเป็นขอทานเปรตคือพวกขอทานทางจิตวิญญาณขอทานในโลกทิพย์ก็คือใจไม่ได้อาหาร ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ใจก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความอิ่มเอิบใจมีแต่ความหิวโหยแล้วแทนที่จะหาอาหารมาให้ดับความหิวก็ไปหายาพิษมาให้แทนหายาเสพติดมาให้เหมือนท่านเด็กเราเลี้ยงลูกนี้ลูกมันหิวนมเราก็ป้อนยาเสพติดให้มันนี่มันจะโตได้ขึ้นมาได้ไหม ใจของพวกเราเวลาหิวบุญหิวอาหารแทนที่จะให้อาหารกลับไปให้ายาเสพติดหิวกระเป๋าหิวลองเท้าเนี่ยไปซื้อลองเท้าซื้อกระ เ, เ, เป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้อของเล่นซื้อของไม่จำเป็นต่างๆอันนี้คิดว่าเป็นการให้อาหารกับใจ มันก็เป็นอาหารแบบอาหารว่างแบบขนมเวลากินก็รู้สึกอิ่มแต่อิ่มเดียวเดียวอาหิวอีกแลวน<ส>ี่เรียวกว่าเป็นการให้ยาเสพติดแทนที่จะให้อาหารแทนที่จะเอาเงินไปทำบุญใส่บาตรเอาเงินไปซื้อของที่อยากซื้ออยากดูอยากฟังทางตาหูจมูกลินกาย หรือแมเอาไปกินอาหารก็เหมือนกันถ้ากินมา ก, กเกินไปมันก็เป็นโทษทั้งกับร่างกายแล้วใจก็ไม่ได้อาหารอยู่ดีถ้าจะไปซื้ออาหารต้องซื้อซื้อไวแบ่งไวสองส่วนส่วนหนึ่งไวให้ร่างกายอีกส่วนหนึ่งให้ใจส่วนที่ให้ใจทำยังไงก็เอาไปใส่บาตร เ, เอาไปทาบุญใจถึงจะได้อาหาร ขอใหเราระวังเวลาที่เราหิวแล้วเราไปซื้อยาเสพติดให้กับร่างกายเพราะซื้อแล้มันติดไงซื้อแล้วติดซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรนี่มันติดมันอยากจะซื้ออยู่เรื่อยมีกี่ชุดมันก็ไม่พอแต่ถ้าเอามาซื้ออาหารใส่บาตรแล้วมันจะอิ่มมันจะไม่อยากซื้ออะไร มันสบายพอแล้วอิ่มแล้วไม่หิวไม่ต้องไปซื้อลูกเสียงกลิ่นรสมาให้ใจเสกซื้อมาเสกเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออันนี่ก็คืออาหารใจที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราหามาให้กันแล้วเครื่องนุ่งห่มของใจกับเครื่องนุ่งห่มของร่างกายเหมือนกันไหม ไม่เหมือนเพราะร่างกายกับใจไม่เหมือนกันร่างกายมีรูปร่างมีอาการ32มีอวัยวะที่ต้องปิดต้องบังก็เลยต้องมีเสื้อผ้ามาปกมาปิดมาสวมใส่หน้าที่ของเสื้อผ้ามีไว้ทาไมก็มีหนึ่งไว้ปกปิดร่างกายไม่ให้ดูประเจดิดประเจ้า ไม่มีใครอยากจะแก้ผ้าเดินออกนอกบ้านนะ เ, เพราะมีความอายก็ต้องใส่เสื้อผ้ากันแล้วก็ต้องใช้เสื้อผ้าไว้ป้องกันอากาศหนาวเย็นป้องกันแมลงสา์กัดต่อยต่างๆนี่คือหน้าที่เสื้อผ้าไม่ใช่มีหน้าที่มาเสริมความงามให้กับร่างกาย แต่จะเสริมก็ได้อยากจะให้ร่างกายดูสวยงามก็ซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มาใส่ก็ได้เองแต่ว่ามันเป็นความสวยงามปลอมทท้งนั้นเองเป็นความสวยงามที่ไม่ประทับใจอาจจะหลอกคนที่ยังไม่รู้จักเราก็ได้เวลาเห็นเราแต่งกายสวยงาม เขาก็ชื่นชมยินดีกับความสวยงามของเราแต่พอเขาได้รู้จักเราได้พบปะกันได้เห็นท่าแท้ของเราความสวยงามของร่างกายก็อาจจะไม่มีความดูดเดืออีกต่อไปถ้ามาเจอเราเป็นคนโกหกเป็นคนชอโกงยืมเงินแล้วก็ไม่คืนอย่างนี้โกหกขอยืมเงินแล้วก็ไม่คืนก็เรียกว่าโกหก ก็ลักทรัพย์ช่โกเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยที่เขาไม่อนุญาตให้อันนี้ก็คือความไม่สวยงามของใจอย่างแม ร, ร่างกายจะสวยงามแต่ใจไม่สวยงามมีใครอยากจะคบกับคนที่โกหกบ้างมีใครอยากจะคบกับคนที่ประพฤติผิดประเวณีบ้าง มีใครอยากจะคบกับคนที่ชอบโกงบ้างคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนประพฤติผิดประเวณีคนเดิมสุรายามเมาไม่ได้เป็นคนน่ารักน่านับถือเลยนี่แหละคือความสวยงามของใจหรือเสื้อผ้าอภารรของใจก็คือศีลห้านี้เอง ถ้าใครมีศีลห้านี่ถึงแม้จะไม่สวยทางร่างกายแต่จะเป็นที่รักชื่นชมยินดีเพราะสวยทางจิตใจเสื้อผ้าพรที่สวยงามของของเราที่แท้จริงก็คือศีละธรรมคือศีลห้าข้อนี้ถ้ามีศีลถ้าใครก็รู้ว่ามีศีลห้าข้อนี้ไปทํางานที่ไหนไม่มีใครเขารังเกียจ ไปเป็นคนใช้ที่บ้านก็ไม่มีใครเขาหลังเกียจตถ้าเขารู้ว่าไม่ขโมยข้าวของเขาไม่ไปยุ่งกับสามีภรรยาของเจ้าของบ้านไม่ไม่ไมดื่มสุรายามาอารวาสทำงานแล้วก็อรารวาสดืด่มเหล้าเมาไปอันนี้แหละเรียกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจ เขาเจ้าหึงสอนให้พวกเราชาวพุทธในรักษาศีนหน้ากันจะทําให้เราสวยงามแล้วศีนหน้านี้มีคุณประโยชน์มากมายนอกจากให้เราสวยงามแล้วยังป้องกันภัยรับรองได้ไม่ไปติดคุกติดตารางแน่นอนถ้ารักษาศีนหน้าได้จะไม่มีวันต้องไปติดคุกติดตารางแล้วตายไปก็ไม่ต้องไปติด ทุกตารางในโลกทิพย์อีกครั้งเกิดไปอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกอันนี้แหละคือประกันภัยของพุทธศาสนาเป็นทั้งประกันภัยเป็นทั้งเสื้อผ้าอภร์ที่สวยงามใครมีศีลห้านี้จะเป็นคนที่มีแต่คน ชื่นชมยินดีเคารบนับถือเนี่ยยกตัวอย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี้ท่านก็มีศีลห้าพวกเราจึงเคารบนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าหน้าตาท่านไม่มีอะไรสวยงามเลยมีแต่หัวล้มโน่นคิ้วก็โกนผมก็โกนผ้าก็ใสเสื้อผ้าก็ใสมันอยู่ชุดเดียวเลยแต่ทำไมกับกราบไหว้ พระได้อย่างสนิทใจพระพูพะไรนี่เชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นมีปัญหาอะไรมาถามพระพระตอบไปนี่ไม่สงสัยเลยถามปั๊บตอบปั๊บเอาไปเลยรับไปเต็มที่เลยเพราะเชื่อว่าพระนี่ไม่โกหกเป็นคนไม่โกหกแล้วก็ไม่รักทรัพย์ของใครไม่ดื่มสุรายามเมา ไม่ไปยุ่งกับสามีภรรยาของชาวบ้านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่แหละคือความสวยงามเสื้อผ้าผ่อนที่จะทำให้ใจของเราสวยงามกันมาเสริมความงามทางจิตใจดีกว่าทางร่างกายก็ให้มันไม่สกปรกก็พอแล้วไม่ใช่ว่าพอมีความสวยงามทางใจแล้วทางร่างกายก็ปล่อยเลยน้ำก็ไม่อาบ ผมก็ไม่หวีอันนี้ก็ไม่ควรร่างกายก็ต้องพอให้ดูได้ด้วยแต่ไม่ต้องสวยงามแบบปรุงแต่งให้สวยแบบธรรมชาติคืออาบน้ำํำอาบท่าให้มันสะอาดเอาผมก็หวีให้มันเรียบร้อยถ้ามันยาวก็ผูกมัดไว้อะไรให้มันดูสะอาดตาเท่านี้ก็พอเสื้อผ้าก็แบบเรียบง่ายไม่ต้องติดมุกติดอะไร ให้ลยิบระยับติดเพชเติดพ้อยเหมือนกับไปเล่นลิเกแต่งแบบเรียบง่ายไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายป้องกันอากาศหนาวเย็นป้องกันแมาลางสัตว์กับต่อยบกปิดอวัยวะอันนี้แหละคือการสวยงามของร่างกายแค่นี้ก็พอแล้ว ทางจิตใจสวยงามนี่ความสวยงามทางร่างกายนี้ไม่จำเป็นนี่คือเรื่องที่สองเรื่องของปัจจัยที่สองของใจคือเสื้อผ้าอาภรณ์ปัจจัยข้อที่หนึ่งก็คือบุญบุญนี้จะทำให้มีความอิ่มใจสุขใจทั้งขณะมีชีวิตอยู่ ตายไปก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ไปสวรรค์แล้วบุญนี้ก็จะมีเป็นทรัพย์รอเราอยู่เวลาเรากลับมาใหม่เวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีทรัพย์รอเราอยู่มาเกิดกลับครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองเพราะเราฝากทรัพย์ไว้กับเขานั่นเอง เราก็มาทวงทรัพย์เราคืนไปลูกๆนี้เป็นเจ้าหนี้ของพ่อแม่รู้ไหมมันมาไม่ได้อะไรมาติดตัวมันมาทวงหนี้พ่อแม่เพราะมันเป็นเงินของมันมันฝากพ่อแม่ไว้ฝากไว้ในธนาคารพอพ่อแม่มาเกิดพ่อแม่ก็มาดูแลเงินทองก้อนนี้ไว้แต่ไม่ได้เป็นของพ่อแม่เป็นของลูกพอลูกมาเกิดลูกมันมาเอาไปใช้หมดเลยนะ พ่อแม่มีเท่าไหร่ยกให้มันหมดเลยนะเงินของลูกเงินที่ลูกได้ทําบุญไว้ในชาติก่อนพอมาเกิดชาตินี้เลยได้มาเกิดเป็นลูกของพ่อแม่ที่มีเงินทองพ่อแม่อาจจะไม่ได้ทําบุญชาติก่อนเลยมาเกิดเป็นคนจนแต่กยันทํามาหากินกระยันเรียนหนังสือเลยหาเงินทองได้แต่ไม่รู้หรอกว่าเงินทองนั้นไม่ได้เป็นของตน เป็นของลูกเดี๋ยวลูกมันก็มาเอาไปนี่คือบุญเป็นเหมือนอาหารให้ใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะมีความอิ่มใจเป็นมนุษย์ก็อิ่มใจตายไปก็ไปเป็นเทวดาก็อิ่มใจศีลก็จะทำให้ไม่ต้องไปอบายนตายไปก็ ถ้าไม่ได้ทำบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าได้ทำบุญก็ไปเป็นเทวดาอันนี้ปัจจัยข้อที่สองของจิตใจปัจจัยข้อที่สามคือที่อยู่อาศัยร่างกายของเราต้องมีที่อยู่อาศัยมีใครไม่มีบ้านต้องมีบ้านไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่งตางๆไปจากสัต ภัยจากมนุษย์ที่ใจเป็นสัตว์ใจมนุษย์ที่ไม่มีศีลนี่ก็าเรียกมนุษย์ที่เป็นสัตว์ต้องมีบ้านไว้คอยหลบภัยจากสัตว์เหล่านี้สัตว์ทั้งที่เป็นมนุษย์และสัตว์ที่เป็นสัตว์สี่เท้าดล้ก็ปลอดหลบภัยจากฝนฟ้าอากาศฝนตกพายุมา ก็จะได้มีที่หลบเวลาอยู่ในบ้านแล้วปลอดภัยฝนตกหนักขนาดไหนเราก็ไม่เดือดร้อนมีความสุขบ้านของใจคืออะไรของใจก็คือสมาธิสมาธิคือความสงบของใจเราต้องหัดทำใจให้สงบกันวิธีทำใจให้สงบก็คือเราต้อง จะลอสติสร้างสติขึ้นมาก่อนสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวที่ร ะ, ล, ะลึกรู้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธได้ไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ใจก็จะนิ่งจะสงบ แล้วใจก็จะมีความสุขตอนนั้น เ, เรื่องราวอะไรต่างๆที่รบกวนใจหายไปหมดเรื่องราวอะไรที่รบกวนร่างกายถึงแม้จะอยู่กับร่างกายแต่ใจไม่เดือดร้อน เ, อเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่เวลาใจสงบนี้จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกาย เ, าเรื่องวุ่นวายต่างๆที่ใจไปฟ้ามา มาแบกก็จะหายไปเรื่องของเงินทองเรื่องของครอบครัวเรื่องของอะไรต่างๆพอใจสงบแล้วเรื่องเหล่านี้หายไปหมดเหมือนกับเราได้เข้าไปในบ้านเวลาอยู่นอกบ้านนี้เจอแต่เรื่องแต่ราวพอเราเข้าไปในบ้านแล้วไม่มีอะไรเข้ามารบกวนอนี่คือบ้านของเราที่เราหัดควรจะหัดสร้างกันขึ้นมา ถ้าเรารู้จักพุโทโธพุโทโธเวลาใจเราไม่สบายวุ่นวายเราก็พุโทโธพุโทโธไปพอพุโทโธพุโทโธไปเราก็เลยเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจปราวุ่นวายใจก็หายไปใจก็สบายเย็ยนขึ้นมาต้องหาใช้สติฝึกใช้สติกันพุโทโธพุโทโธกันรดน้ำพุโทโธกันสวดมนต์กัน อันนี้เป็นวิธีสร้างบ้านสร้างสมาธิให้แก่ใจข้อสุดท้ายก็คื อ, อายารักษาโรคร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บใจก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันเวลาร่างกายมีโรคจะเกิดความเจ็บขึ้นมาเกิดความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมา เวลาร่างกายเกิดโรค ก, ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเชื่อโรคทางร่างกายทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเวลามีเชื้อหวัดเข้ามานี่เป็นไงไข้ขึ้นน้ํามูกไหลอไอจามเสมหะอันนี้เป็นผลจากการติดเชื้อโรคหวัด พอกินยาเข้าไปเดี๋ยวก็หายยาก็เข้าไปทำลายเชื้อโรคที่ทำให้ร่างกายไม่สบายใจก็เหมือนกันเวลาใจเราไม่สบายนี้เกิดจากอะไรเกิดจากเชื้อโรคของใจอะไรคือเชื้อโรคของใจก็กิลเลสตัณหานี่พอเกิดกิลเลสเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเป็นยังไงสบายใจไหม อยากให้แฟนเลิกเล่า่านี้แตแฟนไม่เลิกสักทีนี้สบายใจไหมเห็นหน้าแฟนทีไรก็ไม่สบายใจทุกทีเพราะความอยากทาให้เราไม่สบายใจถ้าเราอยากจะหายจากการไม่สบายใจก็เอายาของพุทธเจ้ามากินยาก็คือธรรมโอสถคือปัญญาปัญญานี้คืออะไร ปัญญาก็คือความจริงตอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นส้มโอก็เป็นส้มโอมะละกอก็เป็นมะละกอกล้วยก็เป็นกล้วยส้มก็เป็นส้มคนกินเหล้าก็เป็นคนกินเหล้าคนกินเหล้าจะไปอยากให้เขาไม่กินเหล้าเป็นไปไม่ได้มะละกออยากจะให้ไปเป็นสับปะรดก็เป็นไปไม่ได้ ดูความจริงกันคนก็อยากจะกินเหล้าก็ไปอยากให้เขาไม่กินอย่างนี้แล้วไปหยุดเขาได้หรือเปล่า <hel> um> ก็หยุดเขาไม่ได้เพราะไม่มองความจริงไม่เห็นความจริงว่าเขาต้องกินเขาต้องกินเหล้าคนเที่ยวนี่เขาต้องเที่ยวคนที่ชอบซื้อของต่าง ๆ, งๆเขาก็ต้องซื้อของจะไปะอยากให้เขาไม่ซื้อไม่ได้ เขาก็ต้องซื้อของเขาอย่างนั้นพอไปอยากให้เขาไม่ซื้อก็จะเสียก็จะทุกข์ขึ้นมาเสียดายเงินทองเห็นเขาใช้เงินทองเสียดายทั้งๆ ท, ที่ไม่ใช่เป็นเงินของเรายัางไปเสียดายแทนเขาเขาซื้อเขาไม่เห็นเดือดร้อนเลยนี่คือปัญญาพุทธเจ้าสอนบอก่ให้เรามองความจริงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละอย่าไปเปลี่ยนเขา อย่าไปอยากให้มารากรกอเป็นส้มโออย่าไปอยากให้คนไม่มีศีลมีศีลอย่าไปอยากให้คารวะเป็นพระเป็นไปไม่ได้ถ้าเขจะเป็นเขาก็เป็นเองถึงเวลาเขาเป็นเขาก็เป็นเองถ้ายังไม่ถึงเวลาก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นความอยากนี่แหละที่ทำให้เราทุกข์ทรมานใจ อยากให้ร่างกายเราไม่แก่ไปห้ามมันได้หรือเปล่าอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันไม่ตายพอไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งแค่นี้โอ้โหใจสั่นนะไปสั่นทาไมสั่นแล้วทำให้มันหายเปล่าก็ไม่หายมันจะเป็นมะเร็งก็ต้องเป็นมะเร็งมันจะเป็นโรคหัวใจก็ต้องเป็นโรคหัวใจมันจะตายก็ต้องตาย ถ้าเรามองเห็นความจริงแล้วเราไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่มองความจริงหรือมองไม่เห็นความจริงเราไม่อยู่บนความจริงกันเราอยู่บนความอยากกันเห็นอะไรปุะ๊ะไม่รู้ละเขาเป็นอะไรก็อยากขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นมะละกอแล้วเป็นส้มอยากได้ อังหุนก็อยากใช้ก็เป็นอังหุนขึ้นมาทันทีเป็นไม่ได้นะหากใช้ปัญญาดูความจริงพระพุทธเจ้าวะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงนี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเช่นนาบยศสารเสริญสุกนี่มีเจริญมีเสื่อมมีขึ้นมีลง รายได้บางทีก็มากบางทีก็น้อยบางทีรายรายรายรับมากน้อยกว่ารายจ่ายราบก็เลยเสื่อมถ้าถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับเงินทองก็ต้องลดน้อยลงไปถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทองก็เพิ่มขึ้นมีขึ้นมีลงเรียกว่าอานิจังไม่เที่ยงอนัตตา สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ห้ามแม้เขาลงไม่ได้นี่คืออนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเกิดเขาก็เกิดเขาจะดับเขาก็ดับเขาจะเจริญก็จเจริญเขาจะเสือ่อมก็เสือ่อมถ้าเราไม่มีความอยาก ให้เขาไม่เสื่อมอยากให้เขาจเจริญเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เขาเสื่อมถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็อยากไปอะยากเนี่ยความทุกข์ใจที่เป็นโรคใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองไม่ได้เกิดจากความเสื่อมของสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆเขาเสื่อมไปตามธรรมชาติของเขาเขาจเจริญไปตามธรรมชาติของเขา เขามีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีมามีไปนี่คือสิ่งต่างๆที่พวกเราต้องศึกษาด้วยปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้ น, ะนับตั้งแต่ร่างกายนี้ขึ้นไปนะสมบัติอันแรกใกล้ตัวที่สุดก็คือร่างกายร่างกายก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ ส่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ห้าไม่ให้มันไม่แก่ห้าไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทรมานใจทุกข์ใจเป็นโลกใจขึ้นมาถ้ามีธรรมโอสถมีปัญญาก็จะเฉยเฉยถ้าทำใจเฉยไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสติพอ ไม่มีสติควบคุมใจให้นิ่งให้เฉยก็ต้องกลับมาฝึกพุโทโธมาเจริญสติเพื่อจะหยุดความอยากความอยากนี้ต้องใช้ปัญญากับสมาธิใช้ปัญญากับสติปัญญาจะเป็นคนบอกว่านี่คือความอยากต้องหยุดมันปัญญาบอกแล้วมันไม่ยอมหยุดก็แสดงว่าเราไม่มีสติ ก็ต้องมาสร้างสติมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเราหยุดได้ความทุกข์ก็จะไม่มีเราก็จะหายจากโลกของทางจิตใจคือความทุกข์ใจนี่คือปัจจัยสี่ของจิตใจซึ่งเป็นเหมือนกับร่างกาย ร่างกายก็ต้องมีปัจจัยสี่เวลาไม่สบายก็ต้องหาหมอหายามารักษาพอมีหมอมียาก็จะสามารถรักษาให้โรคของร่างกายหายได้เวลาใจมีโรคภัยไข้เจ็บมีความอยากมีความทุกข์มีความโลภความโกรธความหลงก็ต้องใช้ปัญญาธรรมโอสถยาของ พระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมโอสถคือปัญญาเราต้องมองความจริงให้เห็นตอนนี้เราไม่ก็เห็นความจริงกันเราไม่เห็นอนิจจังกันเราไม่เห็นอนัตตากันเรามองอะไรเรามักจะคิดว่ามันเป็นของถาวรได้มาแล้วจะต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันจากเราไปพอวันดีคือดีมันจากเราไป ก็ทรมานใจไม่สบายใจเพราะว่าใจยังอยากไม่ให้เขาจากไปทั้งๆ ท, ท, ที่เขาจากไปแล้วใจยังไม่ยอมให้จากยังอยากให้เขากลับมาอยู่อยากให้เขาอยู่ต่อก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจถ้ามีปัญญาก็แก้ได้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีมามีไป แล้วถ้าใจยังไม่ยอมรับก็ต้องใช้สติหยุดบังคับใจให้รับให้ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเศร้าใจทุกข์ใจพอเราพุทโธพุทโธไปไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเศร้าใจทุกข์ใจความอยากที่จะให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็หายไปใจของเราก็จะสงบหายหายทุกข์ นี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ของทางจิตใจที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรามาสร้างกันในวันพระวันอื่นเราก็ไปสร้างปัจจัยสี่ทางร่างกายไปหาอาหารไปหาเครื่องนุ่งหอมไปหายารักษาโรคไปหาที่อยู่อาศัยกันวันพระเราก็มาหา ทานหาศีลหาสมาธิหาปัญญากันเพราะว่ามันมีความจำเป็นเท่าๆกันและจเป็นความสำคัญมากกว่าร่างกายเสยอีกเพราะใจนี้เป็นของถาวรใจนี้มีอายุเป็นล้านๆปีไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้มันมีแค่ร้อยปีเป็นอย่างมากอยู่ถึงร้อยปีต่อให้มีปัจจัยสี่มากน้อยเพียงไรก็ ดูแลมันได้แค่ร้อยปีนั่นเอนพอมีร้อยปีพอร้อยปีมาร่างกายก็ตายไปแต่ใจนี้ไม่ตายถ้ามีปัจจัยสี่มันก็จะเลี้ยงดูใจไปตลอดใจของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกเนี่ยตอนนี้ท่านมีปัจจัยสี่ของใจท่านมีบุญทานบุญที่เกิดจากการทําทานท่านมีศีล ท่านมีสมาธิท่านมีปัญญาใจของท่านก็เลยมีปัจจัยสี่มีที่อยู่อาศัยคือนิพพานนระนิพพานนี้แหละคือบ้านของใจที่มีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ถ้าใครสร้างปัจจัยสี่ได้ครบบริบูรณ์ก็จะได้บ้านบ้านพระนิพพานเป็นที่อยู่อาศัยบ้านพระนิพพานนี้เป็นบ้านที่ไม่มีวันไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นสลาย จะเป็นบ้านที่อยู่ของใจไปตลอดอนันตการพระพุทธเจ้าและภาษาบอกนี้ท่านได้สร้างปัจจัยสี่ได้ครบบริบูรณ์แล้ว <c oughs> ท่านเลยสบายท่านไม่ต้องมาละเหยเล่ร่อนเหมือนพวกเราพวกเรานี้อย่างสร้างบ้านของใจไม่เป็นเราก็เลยต้องมาสร้างบ้านของร่างกายแทนกันมามีร่างกายกัน แล้วก็มาสร้างปัจจัยสี่ให้กับร่างกายเพราะมันเป็นวิธีที่เรารู้จักเป็นวิธีเดียวคือวิธีหาความสุขของพวกเราเพราะเราต้องหาความสุขจากการมีร่างกายพวกเราก็เลยต้องมาเกิดกันแต่ร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอตายไปแล้วก็ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่มาสร้างบ้านใหม่ มาสร้างปัจจัยสี่ใหม่ให้กับร่างกาย <c oughs> ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องสร้างบ้านใจกันไม่ใช่บ้านร่างกายเราต้องสร้างปัจจัยสี่ของใจที่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริงใจนี่แหละคือตัวเราเรามาจากใจเราอยู่ที่ใจ และสิ่งที่จะทำให้เราทำให้ใจของเรานี้มีความสุขไปตลอดอก็คือมีปัจจัยสี่ทางจิตใจมีทานมีศีลมีสมาธิมีภาวนาวันพระพระพุทธเจ้าเลยต้องบัญญัติวันพระไว้ทุกอาทิตต้องหยุดหนึ่งวันมาฟังเทศฟังเทศเพื่ออะไรเพื่อเพื่อจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกัน ถ้าเราไม่ฟังเทศเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องมาสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจตอนนี้เราได้ฟังเทศแล้วเราได้รู้แล้วว่าสิ่งที่เรากำลังขาดกันตอนนี้ก็คือปัจจัยสี่ทางใจเรายังทำทานไม่พอรักษาศีลไม่พอสมาธิยังไม่มีปัญญายังไม่เกิดใจของเราก็เลยยังวุ่นวายอยู่เรื่อย กังวลห่วงใ ย, ยวิตกกินไม่ได้นอนไม่หลับกระวลกระวายกระสับกระส่ายนี่คืออาการของโรคใจเพราะขาดปัจจัยสี่ของใจโดยเฉพาะขาดปัญญาขาดสมาธิเราพอมีทานบ้างมีศีลบ้างแต่สมาธิกับปัญญานี้เราจะไม่ค่อยมีกันวันพระจึงเป็นวันที่เราจะมาฝึกสมาธิกัน มาฝึกปัญญากันวันพระมาถือศีลแปดกันเพื่อเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมมาพิจารณาให้เกิดปัญญากันถ้าเราทำวันพระได้ต่อไปเราจะอยากจะทำเพิ่มมากขึ้น เราจะเห็นคุณค่าของปัจจัยสี่ของจิตใจว่ามันมีประโยชน์มากกว่าคุณค่าของปัจจัยสี่ทางร่างกายเราก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางการสร้างปัจจัยสี่กันลดการสร้างปัจจัยสี่ทางร่างกายให้น้อยลงไปเพราะเรามีมากเกินไปแล้วเงินทองที่เรามีอยู่นี่เรากินได้หลายปีแล้วอยู่กินได้หลายปีแล้วเราควรที่จะ หยุดหาเงินหาทองกันแล้วก็เอาเวลามาหาปัจจัยสี่ mm. ทางจิตใจกันดีกว่าก็ทำงานให้น้อยลงเพื่อจะได้มีเวลามาสร้างปัจจัยสี่ทางจิตใจให้มากขึ้นมาอยู่วัดได้นานขึ้นตอนต้นก็อยู่อาทิตย์ละวันต่อไปก็อาทิตย์ละสามวันอาทิตย์ละห้าวันต่อไปก็อยู่ทุกวันเลย ก็คนที่มาบวชนี่เขาก็เริ่มต้นแบบนี้ทั้งนั้นแะไม่มีใครเกิดมาปั๊บก็บวชเลยเกิดมาแล้วก็ต้องค่อยมาศึกษาเรื่องของปัจจัยสี่ของจิตใจพอได้มีปัจจัยสี่แล้วเริ่มเห็นผลว่าว่ามีความสุขมากขึ้นเมื่อก่อนนี้คิดว่าความสุขอยู่ที่ปัจจัยสี่ทางร่างกายหามามากมายกายกอง มันก็เท่าเดิมมีน้อยมีมากปัจจัยสี่ทางร่างกายมันไม่ได้ทำให้ความสุขทางร่างกายมีเพิ่มมากขึ้นมีบ้านสองหลังมีเสื้อผ้าร้อยชุดกินอาหารวันละสิบมือ้อมันก็ไม่ได้ทำให้สุขความสุขทางร่างกายมันมากขึ้นมันก็เท่าเดิมเริ่มเห็นแล้วว่าความสุขทางร่างกายนี้เรามีพอแล้วควรเอาเวลามา เอาความสุขทางใจดีกว่ามาหาปัจจัยสี่ทางใจเพิ่มปัจจัยสี่ทางใจให้มากขึ้นทีนี้ความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมีปัจจัยสี่ทางใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีมากความสุขเพิ่มมากขึ้นอาทิตย์หนึ่งถ้าเข้าวัดวันหนึ่งก็มีความสุขได้ระดับหนึ่งพอมาอีกสามอาทิตย์หนึ่งเข้าสามวันก็ได้สามเท่า ห้า ว, วันก็ได้ห้าเท่าก็ OO. เลยต่อไปก็เอามันทุกวันเลยอยู่วัดมันทุกวันเลยไม่รู้จะเอาอะไรแล้วกับความสุขทางร่างกายเดี๋ยวร่างกายมันก็ตายไปอยู่ดีแต่ความสุขทางใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายปัจจัยสี่ของใจก็ไม่ได้สูญหายไปกับร่างกายปัจจัยสี่อยู่ในใจ เ, เพราะเป็น ของที่สร้างขึ้นมาภายในใจทานก็เกิดจากการเสียสละของใจนี่แหละมีข้าวของเงินทองก็เราไม่จําเป็นจะต้องมีมากมายก็แบ่งให้คนอื่นก็บ้างให้คนอื่นก็มีความสุขบ้างอันนี้ก็อยู่ที่ใจคือการเสียสละแบ่งปันศีลก็อยู่ที่ใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกักทรัพนี่ไม่ได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่วัด ญาติโยมมักจะเข้าใจว่ามาถือศีลต้องมาขอศีลจากพระการขอศีลนี่เป็นการขอความรู้ว่าศีลมีอะไรบ้างให้พระช่วยบอกหน่อยว่าวิธีจะรักษาศีลนี่รักษาอย่างไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เนี่ยพระบอกไปพอรู้แล้วเราก็เอาไปรักษากันเวลาจะฆ่าสัตว์ก็หยุดเวลาจะลักทรัพย์ก็ไม่ทำ เวลาจะพืดปร ะ, ประพฤติผิดประเวณีก็ไม่ทำก็หยุดที่ใจอยู่ที่ใจศีลอยู่ในใจสมาธิก็อยู่ในใจพอมีสติใจก็จะสงบปัญญาก็อยู่ในใจอยู่ในความคิดคิดตามความเป็นจริงคิดว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งที่เป็นอนิจจังอนาตาัตตก็อยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่น อย่าไปอยากให้สับประรถเป็นมาละกออย่าไปอยากให้คนกินเหล้าไม่กินเหล้าอยากจะอยากจะให้คนมีชู้ไม่มีชู้มันห้ามเขาไม่ได้หรอก mm. เขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา mm. ทาใจท่านเองอย่าไปอยากแล้วเราจะไม่ทุกข์เขาจะมีชู้เราก็ไม่ทุกข์เขาจะดื่มสุราเราก็ไม่ทุกข์ mm. เพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่มีชู้ ไม่มีความอยากให้มเขาไม่ดื่มสุราเราก็ไม่ทุกที่ทุกเพราะปอยายให้เขาไม่มีชู้พอเขามีชู้ก็ทุกอยากให้เขาไม่ดื่มสุราพอเขาดื่มสุราก็ทุกแต่เราต้องมองความจริงให้เห็นว่าเขาเป็นอย่างไรกันแน่เขาเป็นอย่างนี้แล้วอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรนี่คือปัญญาที่มันอยู่ในใจของเรามันไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย เม้เวลาร่างกายตายไปปัจจัยสี่ของใจนี้ไม่ได้หายไปกับร่างกายหายไปเพียงแต่ปัจจัยสี่ของร่างกายเท่านั้นเองมีบ้านมีคอนโดมีคราห่าใหญ่โตก็หมดไปกลายเป็นของคนอื่นไปสร้างบ้านไว้เดี๋ยวตายไปกลายเป็นของใครแต่เงินทองหาไว้กองเท่าภูเขานี้กลายเป็นของใครไปโดงเอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้ไม่สร้างกัน สิ่งที่เอาไปได้ก็คือทานศีล ส, สมาธิปัญญาถ้ามีสีลมีสี่อย่างนี้ก็จะได้บ้านบ้านทิพย์คือพระนิพพานเป็นที่อยู่อาศัยไม่ต้องมามีร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยต่อไปนี่คือเรื่องของวันพระมาเรียนรู้มาศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มีปัจจัยศี พอเรามีปัจจัยสี่เราก็จะมีพาตนิพพานเป็นบ้านของเราเราก็จะได้ไม่ต้องมาอาศัยร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดถากจากการรมอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิต e ุทินังเปตาหนังอุปการปติอิติตังปิต um ิตังตุมหังคิปเเมวะสมิจโตสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาหะโสยะถามณิโชติ ระโสยะธาสัพิต so ิโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีฤทสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธมมมวัาติอายุวันสุขัง พาลางังวันนี้ดางเฟซเข้ามาอะไรวันนี้เฟซบุ๊กสูงสุด473ค่ัทางยูท121ครับามาตามปกติถ้ามันธรรมดาก็เยอะมันสาวที่ก็น้อยสาวที่คงมีธุ ร, ปประป่าปังไปนู่นมานี่มันธรรมดาก็อยู่บ้านแล้วอยู่ที่ทำงาน สะดวกต่อการรับฟังมีคําถามเลยก็มันไม่ใช่คําถามแต่มันเป็นประสบการณ์ของตัวเองเพราะว่าหนูใช้พุทโธอยู่เป็นประจําแล้วตอนเนี้ยหนูมีความรู้สึกว่าสุขเนี่ยหนูรู้สึกกับตัวหนูว่าเฉยเฉยเพราะว่าเรื่องสุขมันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ตอนเนี้เรื่องทุกข์ที่เข้ามาหนูทิดว่ามันเป็นเรื่องต้องฝ่าฝันทุกครั้งที่ต้องเจอแล้วหนููเจอทุกทุกครั้งหนูต้องนั่งตอนปัจจุบันนี้หนูเจอทุกที่มากระทบที่ใจรู้สึกรู้สึกทําให้มันเจ็บหนูจะนั่งฟังแล้วหนูจะไม่ค่อยตอบแล้วก็อาจจะทําให้คนอื่นผิดพลาดเหมือนที่หนูต้องไปขอโทษหนูจะนั่งฟังเฉยๆแล้วก็เก็บตัวเองพอออกจากจุดนั้นแล้วหนูก็ไปพูดโทจะค้าหนูทําถูกใช่ไหมเจ้าค้าหนูก็อถ้าเราไม่ไปตอบโตัวนิ่งเฉย แต่แม่้ใจยังขุนอยู่ก็ใช้พุโทโธทำให้มันใสได้ค่ะ่ะยอมรับค่ะตอนขณะนั้นมันขุนจริงๆแต่เราก็ไปใช้พุโทโธอขนาดนั้นเราก็ใช้พุโทโธได้เลยขณะที่อยู่ต่อห น, น้าเอาตรงนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> เขาไม่รู้เราใช้พุโทโธแล้วก็พุโทโธลงไป <c oughs> ใช่ค่ะหนูไม่ใช่ค่ะดีดักเฉยเฉยแล้วหนูก็บอกว่าหลังจะปิดตัวจาจุดที่เรารู้สึกเจ็บอ่ะหนูบอกอุ้ยพูดโธฉันอยู่ไหนมันพูดในใจแล้วเจ้าค่ะรีบไปหาที่เก็บตัวของตัวเองเลยแล้วก็นั่งประมาณอาจจะนานกว่าที่ตัวเองอยากนั่งซะอีกเพราะมันกําลังโทษกข์หลวงพ่อเอาตั้งพอทุกข์ปั๊บก็พูดโธรไปเลยไม่ต้องอคือว่าต่อหน้าอย่างนี้จบอย่างนั้นเลยก็ปล่อยก็พูดไปแล้วก็พูดโทรเราไปเจ้าค่ะ อ่าเข้ามาได้โดยถ้าไม่พูดโทรตอนนั้นไม่ได้ก็เฉยๆไว้ก่อนแล้วก็พอพอมีเวลาไปปีกตัวก็ไปพูดโทรพูดโทรของเราแต่ก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามที่จะพูดโทรตอนนั้นเลยถ้าเราพูดโทรตอนนั้นได้ก็พูดโทรไปเลย มันพิถนไเจ้าคะยังไม่ทันไงยังไม่ทันเจ้าค่ะต้องให้ต้องให้ให้โค้ดคอยบอกอเจ้าค่ะมันนักมวยเ้ะนักมวยเวลาเวลาเขาพักยกนี่เขาจะมีโค้คอยบอกให้รู้ต้องต่อยอย่างงั้นต่อยนี้ผมพ่อเปโค้ที่นี้ที่สุดนักสัตว์มีหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นนะถ้าใครอยากได้ก็เอาไปอ่าน หายากนะหนังสืออะไนี้ไม่มีขายอ่านเราจะติดใจอ่านเราจะรักพระพูดพระธรรมพระสงฆ์มากอ่า<ด>ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมหมดมลแล้วคำถามฝากคำถามที่ฝากเราจะเอ า, เอาไหนก่อน อ, อ๋อคำถามจากผู้ฝาก อซื้อปลามาปล่อยแล้วยังไม่ได้ปล่อยแต่เอาไปขังไว้แล้วปลาตายหมดเลยจะบาปไหมคะบาปเสือามสแปดตัวค่ะคือถ้าไม่ไม่ตั้งใจมันก็ยังถือว่าไม่บาปอยู่แต่มันก็มันก็ตายมันก็เสียหา ย, ายถ้าจะพูดว่าบาปก็ไม่เชิงเพราะว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทําให้เขาตายแต่ทําให้เขาตายด้วยความประมาทลแล้วมันก็ มันก็มีผลเสียหายเร า, าต่อไปเราอาจจะไม่ได้ถูกเขาฆ่าตายด้วยความเจตนาก็ได้อาจจะถูกเขาตายปล่อยให้เราตายด้วยการพังเผอก็ได้มันก็ยังมีวิบากกลับมาเห็น <c oughs> ทําอะไรอย่างไรมันก็จะได้อย่างนั้นกลับมาก็แล้วกันทำให้เขาตายโดยที่เราไม่มีความตั้งใจแต่ประมาทเลินเล่อต่อไปเราอาจจะต้องตายด้วยความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นก็ได้เช่นขับรถไปคนประมาทกินเหล้าเมา คุยกันคุยทางโทรศัพท์ดูมือถือกันแล้วก็วิ่งข้ามเลนมาชนเราตายอันนี้เขาก็ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเราใช่ไหมแต่เขาก็ทําให้เราตายได้ด้วยความประมาทเลินเล่อของเขาเราก็เหมือนกันเราไปทําให้เขาประมาทเลินเล่อเราเราทำให้เขาตายด้วยความประมาทเลินเล่อของเราอันนี้ก็ต่อไปเราอาจจะต้องรับผลอันนั้นเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นบาปแบบว่าที่ จะ uh, ทำให้เราไปเกิดในบายแต่ถ้าแต่เราก็ยังมีโอกาสใช่ไมไม่ได้เป็นไปเป็นปลาเราอาจจะเป็นมนุษย์แล้วอาจจะตายเพราะปความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นก็ได้ะนั้นมีผลคือมันต้องมีวิบากเข้าใจัหย คำถามจากคุณจิตประภัสอนค่ะเวลาเราสู้กับเวทนาใหญ่เกิดการปวดขามากๆจะมีอุบายใดให้พอทุราอาการได้บ้างเจ้าคะเวทนานี้มีโอกาสที่จะดับได้ไหมเจ้าคะเวทนาเขามัเดี๋ยวเขาเกิดแล้วเขาก็ดับเองแต่ที่เราทรมานนี้มันไม่ใช่เวทนาที่ทำให้เราทรมานมันเป็นความทุกข์ทางใจ ความทุกข um, ์ทางใจนี้เกิดจากความอยากให้เวทนาหายเราก็มาหยุดความทุกข์ทางใจได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดความทรมานใจขึ้นมาเราก็อยู่เฉยๆเราพุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่กับพุทโธไปแล้วความอยากให้ทุกเวทนาหายไปมันจะหยุดพอความอยากหยุดความทุกข์ทรมานใจก็หายไปทำให้เราอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบาย ก็ความเจ็บของร่างกายมันไม่ไมใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาที่เราทนไม่ได้ก็คือความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากของเราเองในเวลาเราเกิดความทรมานใจจากความเจ็บปวดของร่างกายเราอยากไปอยากให้ความเจ็บปวดหายไปอยาอยากหนีมันอย่าอยากขยับยิ่งอยากมันยิ่งจะทําให้เกิดความทรมานใจขึ้นมาเราต้องอยู่ต่อแต่อยู่ด้วยพุโทโธ บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บเลยให้อยู่กับพุโทโธไปให้มันขาดใจตายไปกับพุโทโธแล้วรับรองได้ว่าความทรมานใจมันจะหยุดมันจะหายแล้วความเจ็บของร่างกายนี้มันเหมือนกับเข็มฉีดยาเนี่ยไอ้แม่หมอบอกจะฉีดยาเนี่ยยังไม่ทันฉีดเล ย, เยไปก่อนแล้วใช่ไหมทรมานใจก่อนแล้วพอฉีดจริงๆแค่ไหนนิดเดียวนั่นแหละความเจ็บทางร่างกาย เป็นเหมือนเข็มฉีดยาแต่ความทุกข์ทางใจมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากให้หมอฉีดยาแต่พอยอมให้ฉีดเท่นั้นมันกระเทานั่นเองเข็มทิ่มเข้าไปเหมือนยุงกัดเท่นั้นเองดงั้นเวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายให้ขยันบริกรรมพุโทโธไปให้ถี่เลยอย่าไปคิดถึงความเจ็บอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปหวังอะไรให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียว แล้วเดี๋ยวเวลาใจมันสงบมันหายจากความ ท, ทรมานใจแล้วจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บทางร่างกายคำถามจากผู้ม่ประสงค์ออกนามค่ะการบวชชีในวัดต่าสามารถบวชในระหว่างรำษาได้หรือไม่เจ้าคะได้ทั้งนั้นอ่ะเพราะมันไม่มีกำหนดเวลาห้ามเพียงแต่ว่าเขาจะบวชให้หรือไม่ให้เท่านั้นเองแล้วแต่ละวัด้องอาจจะมีกฎระเบียบของเขา ในช่วงพรรษาเขาจะไม่อยากจะมีพิธีกรรมอะไรต่างๆเขาอยากจะให้เป็นเวลาของการปฏิบัติงั้นบางทีบางวัดเขาก็จะไม่ไม่ให้บวชในช่วงพรรษาบวชแล้วศึกศึกแล้วบวชนี่บางทีเขาก็ไม่ไม่นิยมให้ทํากันดังนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละวัดก็แล้วกันแต่ไม่มีกฎระเบียบห้ามไว้คำถามจากคุณอัชาราแม่ชีบวชอยู่บ้านได้ไหมคะ ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีศีลก็แล้วกันรักษาศีลศให้ได้ก็เป็นแม่ที่ได้ครับถามจากคุณชัยยุทธเมื่อทําบุญแล้วควรกวดน้ําอย่างไรครับก็เกิดกันระลึกภายในใจของเราว่าวันนี้ได้ทําบุญแล้วขออุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วมีชื่ออะไรก็ว่าไปถ้าไม่มีชื่อก็ว่า ส, รรสับประสาททั้งหลายไป คำถามจากคุณอัครวัตค่ะการที่เรานับถือศาสนาพุทธจะต้องไปกราบสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้าที่อินเดียหรือไม่คะจำเป็นหรือไม่คะออไม่จำเป็นหรอกเองแต่ว่าถ้าไปได้มันก็จะอาจจะทำให้มีศรัทธาที่มั่นคง เ, ออเพราะว่าบางทีเรายังไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นนิยายหรือว่าเป็นความจริง แต่พอเราได้ไปที่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ก็จะทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นมาว่าอ๋อพระพุทธเจ้านี้เป็นของจริงไม่ใช่เป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของที่แต่งกันขึ้นมาแต่ก็ไม่จำเป็นถ้าเราไม่สามารถไปได้เพราะยังมีอีกวิธีที่เราจะสามารถมีศรัทธากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ ก็คือการปฏิบัติตามคำสอนถ้าเราสามารถปฏิบัติทำได้ใจเราเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เน้นถ้ามีโอกาสมีปัญญาจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านไม่ได้ไปกันนะท่านไปด้วยการปฏิบัติท่านปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา พอท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมท่านก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอริยสงฆ์จากการปฏิบัติท่านก็เลยไม่ต้องไปอินเดียเพราะท่านไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระโสดาบันนี่ท่านไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่สำหรับคนที่ยังไม่เป็นโสดาบันยังสงสัยอยู่ถ้ามีโอกาสไปได้ก็ไปก็ดี แต่อย่าถือว่าจะเป็นภารกิจต้องไปเดี๋ยวต้องขายบ้านขายช่องไปถ้ามีมีโอกาสไปได้ไม่เดือดร้อนก็ไปคำถามจากคุณวีระพรค่ะเจอลูกแมวตัวเล็กๆ เ, เดินบนถนนแต่ไม่ได้หยุดรถช่วยเขาเพราะกังวลเรื่องภาระรับผิดชอบเลี้ยงดูแต่ก็ยังไม่สบายใจ แต่ก็ยังไม่สบายใจที่ไม่ได้ช่วยเขาทั้งที่เห็นว่าเขาอยู่ในที่อันตรายอย่างนี้ถือว่าขาดความเมตตาใช่ไหมคะเออใช่คาถามจากคุณสถิตพรเมื่อก่อนจะถวายอาหารหวานคาวแก่เจ้าที่ทุกวันพระพอฟังพระอาจารย์เทศก็เลิกทำแต่ก็ยังไม่สบายใจเกรงว่าจะทำผิดต่อหน้าที่หรือไม่เจ้าคะ ก, ก็ไม่รู้ละมีเจ้าที่หรือเปล่าแล้วเจ้าที่เคยกินอาหารที่เราไปถวายหรือเปล่าหรือใครเป็นคนกินหรือว่าเสร็จแล้วก็ทิ้งทังขยะไปใช้เหตุผลสิมันอย่าไปใช้ความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นความจริงแล้วเราก็ไปเชื่อตามความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาพอเราไม่ได้ทำตามความรู้สึกนึกคิดก็เลยรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา เจ้าค่น่าจะเป็นลักษณะเรื่องเจ้าที่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยี่บ้านหนูเนี่ยบรรพบุพรุษคือปู่ย่าตายายก็ชอบไหว้แบบนี้เจ้าคะ่ะแต่หนูวไม่ได้ไหว้หนูก็หนูไม่ได้ไหว้ห น, ห น, วนะเจ้าคะ่ะหนูคิดว่าหนูทําบุญดีกว่าหนูเข้าใจว่าทําบุญแต่หนูก็ไม่เถียงเพราะว่าเป็นความสบายใจของเขาเจ้าค่ะใช่ก็ความงมงายของเขาไงไม่มีเหตุไม่มีผลครับถามจากคุณแหมม ปกติถ้ามีเวลาว่างจะไปทำวัดเย็นที่วัดค่ะและการที่เราอาราธนาศีลห้าแล้วพอเพื่อนชวนไปสังสรรค์ขัดไม่ได้ที่จะดื่มวายทำให้เราผิดสีลข้อห้าแบบนี้จะบาปมากไหมคะก็บาปหนึ่งในห้าเนี่ยอไม่ได้ไม่ได้ผิดทั้งห้าข้อผิดแค่ข้อเดียวถ้าสอบก็ได้แค่แปดสิบไม่ได้ไม่ได้เต็มร้อยคำถามจากคุณจุรารัตค่ะ การถวายประเคนของแด่พระสงฆ์องค์เดนถ้าเป็นของเบาๆเช่นมาลัายใบโมทนาบัตรหากเราถวายโดยใช้มือเดียวนั้นเหมาะสมหรือไม่ที่ถูกต้องควรทําอย่างไรจึงถูกต้องดีงามเจ้าคะก็มือหนึ่งก็สองมือก็ได้มันอยู่ที่กิริยาของเราว่าเรานอบน้อมหรือเปล่าถ้าถวายด้วยความนอบน้อมถ้าบางทีสองมือมันไม่สะดวกมือเดียวก็ได้ขอให้มีความกิริยานอบน้อมก็แล้วกัน ไม่ใช่ยื่นเข้ามาเหมือนกับไปธนาคารมันไม่ได้อยู่ที่มือเดียวสองมือมันอยู่ที่ความนอบน้อมของเราคำถามจากคุณณพลค่ะพอเกิดอาดมรมณ์เบื่อมากๆจนทุกข์มากแม้กระทั่งไม่ทำอะไรเลยก็ทุกข์และลองแก้โดยการทำกิจกรรมก็รู้สึกยิ่งทุกข์ใจหนักอกหนักใจจะแก้อย่างไรดีครับ ใจมันทุกข์เพราะความอยากอยากทำนู่นอยากทำนี่หรืออยากอะไรสักอย่างพอมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็ทุกข์วิธีแก้เบื้องต้นก็คือให้ใช้สติพุทโธพุทโธไปอย่าไปทำอะไรทำพุทโธอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพอใจสงบแล้วความทุกข์นั้นก็จะหายไปแล้วขั้นที่สองถ้าทาได้ถ้ามีปัญญาก็ค้นหาดูว่าที่เราทุกข์เมื่อกี้ทุกข์เพราะอะไร พระจะบอกความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากเรากำลังอยากอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าอยากแล้วก็มาหยุดความอยากนั้นถ้าหยุดความอยากได้ต่อไปใจก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปคำถามจับคุณชลินพิษเราจะสามารถลดอัตราตัวตนได้อย่างไรคะเวลาใครชมเราชอบเราชอบใครกล่าวว่าเราโกรธเราจะฝึกให้ใจนิ่งได้อย่างไรดีคะก็ต้องฝึกสมาธินี่แหละ ถ้าเราทำสมาธิให้จิตสงบเป็นอุเบกขาใจเราก็จะเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่ถ้าเรายังทำสมาธิไม่ได้ท่านก็สอนให้เราทำตัวให้เป็นคนต่ำต้อยที่สุดเช่นเป็นแจ๋วเป็นคนรับใช้ใครจะดา่าใครจะว่าอะไรก็รับผมไปอย่างเดียวถ้าเราเป็นคนรับใช้แล้วเราก็จะไม่ไม่ถือตัวท่านบอกให้ทำตัวเหมือนปัตตภี ทตัวเหมือนแผ่นดินแผ่นดินนี้ใครก็เหยียบกันใครก็ฉี่ใครก็อุจจาระใส่แผ่นดินแต่แผ่นดินเขาก็ยอมรับโดยสภาพนั้นพยายามทําใจของเราทําตัวของเราให้เป็นเหมือนแผ่นดินแล้วเราจะรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่สะทกสะท้านแต่ถ้าเราทําไม่ได้ก็เราก็ต้องฝึกสมาธิพุโทโธพุโทโธให้มากถ้าจิตสงบแล้วจิตก็จะเป็นกลางจิตจาง จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคำถามจากคุณพูลินเวลาเราตายไปเราจะไปสถิตที่ไหนครับก็ไปตามกำลังของบุญของบาปที่เราทำไว้ในขณะที่ก่อนที่เราตายเนี่ยทุกวันที่เราอยู่เนี่ยเราทำบุญทำบาปแล้วมันก็จะเข้าไปในบัญชีบุญบัญชีบาปกันเหมือนกับลายรับรายจ่ายของบริษัทเนี่ยพอเวลาจะปิดบริษัทเขาก็จะมาเช็คบัญชีดู ว่าบัญชีรายรับกับรายจ่ายอันไหนมากกว่ากันถ้ารายรับมากกว่ากันก็กาไรก็เอาเงินกําไรนี้ไปแบ่งให้ลูกน้องไปไปเที่ยวได้แต่ถ้าขาดทุนก็ต้องมาช่วยกันใช้หนี้กั น, น, อ, กนอันนี้ก็เหมือนกันบัญชีบุญบัญชีบาทของเราก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันตายแล้วพอวันตายยอดของบากรยอดของบุญก็จะมาวัดกันดูว่าใครมากกว่ากัน ถ้ายอดของบุญมากกว่าก็ไปสวรรค์ถ้ายอดของบาปมากกว่าก็ไปอบายถ้ายอดของบุญกับบาปเท่ากันก็ไปเป็นมนุษย์กลับไปมาเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือที่ไปของดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้วอยู่ที่บุญกับบาปของเราว่าอันไหนจะมีมากน้อยกว่ากันครับถามจากคุณพิมพรหนูนั่ง หนูนั่งสมาธิจิตหนูสงบมากค่ะหนูจะได้ยินเสียงหลวงพ่อที่วัดสวดมนต์ลอยมาใส่หูหนูก็ไม่ได้สนใจหนูจะบริกรรมอิติปิโสไปเรื่อยๆแต่เสียงท่านสวดมนต์เพราะมากค่ะหนูได้ฟังเทพพระอาจารย์มาก่อนก่อนหน้าท่านสอนว่าไม่ว่าได้ยินเสียงอะไรก็ให้บริกรรมไว้อย่าหยุดถามว่าหนูปฏิบัติถูกต้องไหมคะถูกแล้วสแสดงว่าจิตยังไม่สงบเต็มที่ยังรับรู้เรื่องราวต่างๆอยู่ ถ้าสงบเต็มที่แล้วเรื่องราวต่างๆจะหายไปจะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เยอเหลือแต่ความว่างเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสุขที่มหัศจรรย์ใจถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็บริกรรมต่อไปคำถามจากคุณกันนิกาถ้าโยมจะภาวนาสัมมาอารหังในทุกเวลาแทนพุทโธได้ไหมเจ้าคะได้จะใช้คำบริกรรมแบบไหนก็ได้พุทโธธรมโมสังโฆก็ได้ พุทธังสาวนังกระฉานี้ก็ได้สัมมาอรหังก็ได้แล้วแต่เราจ ะ, ะเราจะถนัดมันก็เป็นการควบคุมความคิดของเรานั่นเองถ้าเราอยู่กับสัมมาอรหังอยู่กับพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พอไม่คิดใจก็จะนิ่งจะสงบจะว่างจะเบาจะสบายคําถามจากคุณนิพนธ์จิตว่างต่างจาก ว่างจากจิตยังไงครับจิตว่างก็จิตไม่คิดไงจิตเรานี่เป็นเหมือนกับกระดานดำที่โรงเรียนเห็นไหมกระดานดำเวลาครูเขียนอะไรนี่เขียนไปเรื่อยๆถ้าไม่ลบมันก็เต็มไปหมดใช่ใจเราก็เหมือนกันใจเราก็เหมือนกระดานดำเนี่ยความคิดของเราก็เหมือนกับสิ่งที่เราเขียนบนกระดานดำมันก็เต็มไปในใจของเราหมด จนฟุ้งสร้างขึ้นมาเนี่ยมีแต่เรื่องเต็มไปหมดเนี่ยแต่ถ้าเราใช้พุทโธพุทโธเราก็เหมือนกับเราใช้ไอ้ที่ลบเนี่ยลบมันออกไปพอเราลบมันหมดใจก็จะว่างไม่มีความคิดไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆนองเหลืออยู่ใจว่างใจก็สบายที่ใจทุกใจหนักก็เพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่ใจคิดขึ้นมาเองคิดแล้วก็หนักอกหนักใจกับเรื่องที่เราคิดใช่<ม>คิดแต่งนูก้ก็หนักอกหนั ก, นกใจม คิดถึงสามีคิดถึงเงินทองหนัก อ, อกหนักใจขึ้นมาพอไม่คิดปั๊บหายแต่เราไม่รู้จักวิธีแก้กันเราแก้กันแบบถ้าหนัก อ, อกหนักใจก็หนีมันไปไปเที่ยวซะไม่ไปคิดถึงมันพอไปเที่ยวมันก็ลืมไปโซ่คราวมันก็หายหนัก อ, อกหนักใจแต่พอกลับมาบ้านก็มาเจอมันอีกก็ทุกเหมือนเดิมเราไม่ต้องไปเที่ยวให้เสียเงินเสียทองเรามีวิธีลบมันใช้พุโทโธพุธโทโธแล้วสัมมาละหังเนี่ย ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปจากใจเราคาถามจากคุณไกรลินทำอย่างไรได้บ้างครับให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการทำงานประจำบางครั้งต้องคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยครับถ้าจำเป็นต้องคิดก็ต้องคิดแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องคิดก็ใช้พุโทโธพุธโทโธไปคาถามจากคุณสุนีเวลานั่งสวดมนต์แล้วมีอาการหาวนขึ้นมาเราจะบาปไหมครับ อไม่บาทเป็นเพียงนิวรณ์นความง่วงเหงาหานอนก็เป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบเพราะเดี๋ยวถ้านั่งต่อไปมันก็จะสับงบแล้วมันก็จะหลับไปคำถามจากคุณพิมพรเพื่อนเพื่อของลูกสาวได้หาปัจจัยมาและได้ทำอาหารและน้ำดื่มแต่หนูแม่คนทำไม่ได้ไม่ได้ช่วยปัจจัยแต่ทำบุญใช้ฝีมือปรุงอาหาร แบบนี้จะได้บุญรวบไหมครับได้แต่ได้บุญคนละอย่างพวกนั้นเขาได้บุญจากการเสียสละข้าวของเงินทองเราได้จากการเสียสละเวลาเรามีเวลามาทำกับข้าวก็เป็นการเสียสละแต่เสียสละคนละอย่างกันคำ ถ, ถามจากคุณเบิร์ขณะเรากำลังนอนแต่ในใจเราบอกให้ลุก ข, ขึ้นมาภาวนาแต่ร่างกายกลับไม่ลุก ข, ขึ้นมา อยากทราบว่าทําไมร่างกายถึงไม่ลุกขึ้นมาทําตามคําสั่งทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ใจอยากภาวนามากกว่านอนหลับครับเพราะเราใจเราไม่เข้มแข็งพออ่อนแอคิดได้แต่ไม่มีกําลังบังคับให้ใจให้ร่างกายลุกขึ้นมาเราก็ต้องฝึกใจให้เข้มแข็งขึ้นพอคิดแล้วก็ต้องบังคับให้มันให้ร่างกายขึ้นมาให้ได้ <Yeah. S 2> เวลาคิดไปเที่ยวทําไมไปได้พอเวลาคิดเจะ จะเนะจะนั่งสมาธินุกขึ้นมาไม่ได้วันไหนถ้าคิดว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวตอนตีห้านี่ต้องตื่นเนี่ยโหยมันไม่ถึงตีห้าตื่นก่อนละมันอยู่ที่ใจเราอยากหรือไม่อยากมันอาจจะคิดแต่มันอาจจะไม่อยากถ้าคิดแล้วไม่อยากมันก็ไม่ทำแต่ถ้าถ้ามันอยากแล้วมันไม่ต้องคิดล่ะบางทีถึงเวลามันปุ๊บขึ้นมาเลยเนีนต้อง แสดงว่าเรายังไม่มีความอยากที่จะนั่งสมาธิเพียงแต่คิดเท่านั้นเองต้องสร้างความอยากขึ้นมาให้ได้วิธีสร้างความอยากนั่งสมาธิก็ต้องคิดถึงผลที่เราจะได้รับจากการนั่งสมาธิว่าเราจะได้ประโยชน์มากได้ความสุขมากได้ความสามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะทําให้เราอยากได้อยากจะนั่งแล้วเราก็จะมีกําลังที่จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิได้ การมีอยู่ครัง้งนึงหนูสวดมนต์ยาวๆอะแล้วหนูอะหลับในหนูหลับในแต่แต่หนูอะตกใจตื่นมาด้วยเสียงหนูไม่ได้พูดนะแต่มีเสียงเข้ามาว่าหนูกำลังสวดอิดติดสวดแล้วมันก็คือสวดยาวๆแล้วเจ้าค่ะแล้วก็มีเสียงว่าเอ๋หนูตกใจแล้วหนูว่าอุ้ยฉันหลับแล้วหนูก็ได้เสียงนั้น ในเสียงของในเสียงของอนูเสติของหนูเตือนสติเตือนใจเองอมันเป็นข้างในลึกใช่ไหมเจ้าค่ะแต่จริงจริงอะหลับนะเจ้าค่ะแสดงว่าจะใจคือร่างกายเราหลับแตใจเรามันมันเรียกร้อกใช่ไหยเจ้าค่ะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันเรียกตัวเองออะอรั้งที่ตัวเองไม่รู้ว่าเรียกตัวเองอ้าวตกใจตื่นล้วตัวเองก็คือหลับในสภาพหลับแล้วแล้วก็ขึ้นมาสวดต่อก็ดีอื ีครั้งคำถามจากคุณพีโกพรจากพระหรือผู้มีฌานหรือพ่อแม่พรจากท่านใดส่งผลกับผู้รับเร็วสุดครับไม่มีไม่ได้ผลเลยไม่ว่าจะเป็นพรของใครพรนั้นเป็นการความปรารถนาดีเท่านั้นเองเป็นคำพูดแต่ผลนี่ต้องเกิดจากการกระทาของเราเองพระพุทธเจ้าให้พรเราแานก็ไม่สามารถส่งเราไปนิพพานได้ เราต้องเป็นคนปฏิบัติพาตัวเราไปนิพพานเองเออนพอรที่แท้จริงผู้ที่จะให้พรที่แท้จริงก็คือตัวเราคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราอันนี้แหละเป็นผู้ที่จะให้พรกับเราคนอื่นเพียงแต่ให้กําลังใจเท่านั้นเองคําถามจากคุณสายนีเรื่องการเส้นไหว้และนับถือผีชาวพุทธแท้ควรละเลิกไม่ควรทํา ที่พ่อแม่ทามาถูกต้องไหมคะถูกถ้าไม่จำเป็นต้องทำก็อย่าไปทำแต่ถ้าจำเป็นต้องทำก็ทำไปเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้อื่นแต่เราอย่าไปเชื่อก็แล้วกันาาเพราะว่าทําไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่บางทีต้องอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันก็ต้องอยู่กันแบบให้มันมีความผาสุ อย่าอยู่แบบทะเลาะ ก, กันมีความเห็นไม่ตรงกันแสดงว่าทําแบบประเพณีใช่ไหมเจ้าอะเขาเคยทํามาอย่างไรก็ทําไปกับเขาแต่เราไม่ได้ไปมีความลหลงไหลข้างใครไปกับเขากับเรากันทาไปเป็นกิริยาเหมือนรับพรนี่ก็รับพรแบบกิริยามันจะได้ที่ไหนขอให้สุขให้จเจริญนี่มันขอกันได้ทุกคนเนีแล้วมันจะได้หรือเปล่า มันก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละมันไม่ได้อยู่ที่คนให้พรเราหรอกแต่ก็ขอกันอย่างนั้นก็ให้กันอยู่นั้นถ้าไม่ให้เดี๋ยวก็ทวงลงพ่อลืมไม่พรบองทีกล้างลืมก็ทวงเยเห <c oughs> <c oughs> มือนกัน จ, จะได้พรจริงๆมันได้ที่ไหนถ้าได้ป่านนี้ก็ไม่ต้องมาทุกวันนี้ <c oughs> <c oughs> ได้ป่านนี้ก็ไปไหนแล้วเนี่ยไ ป, ไปถึงนิพพานกันแล้ว คำถามจากคุณสหัชกพถ้าถือศีลแปดในวันพระจําเป็นต้องรักษากิริยาเมตต า, ราเรื่องการกินการดื่มการขับถ่ายต้องั่งเหมือนพระไหมครับคนถือศีล ก, ก็ต้องเรียบร้อย เ, อเพื่ อ, อความสวยงามคําถามจากคุณเข็มพรเราจะสามารถปลดทุกข์ในใจได้อย่างไรคะก็ดับหยุดความคิดหยุดควารคิด ทุกคิดถึงเรื่องอะไรก็อย่าไปคิดถึงมันหยุดมันมด้วยพุโทโธพุทโธไปความทุกข์ก็จะหยุดไปชั่วคราวถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาค้นหาต้นสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรถ้ารู้ว่าเกิดจากความอยากก็หยุดความอยากนั่นไปพอหยุดอยากได้ก็จะหายทุกข์เช่นทุกข์เพราะอยากจะสูบบุหรี่ถ้ไม่ได้สูบ ก, ก็ต้องหยุดสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ ถ้าเลิกได้ความทุกข์ที่เกิดจากการอยากสุบุลีก็จะหมดไปคํถาถามจากคุณนายหนุ่มหากเรารักษาศีลแปดได้ไม่ครบอาราธนาศีลเพียงเจ็ดข้อได้หรือไม่ครับได้ก็เหมือนสอบอะทำข้อสอบได้เจ็ดข้อมันก็ไม่ได้เต็มร้อยคาถามจากคุณวิชิตขอโอกาสถามข้อสงสัยผมถืออุบาอุโบสถ ศีนอยู่ที่บ้านลูกสาวยังเล็ก <c oughs> จึงมีบางครั้งที่เขาเข้ามากอดอยากทราบว่าศีนจะขาดไหมครับไม่ไม่ขาดหรับเพียงแต่ว่าเขาไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวกันกลัวว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันจะพาให้ไปสู่การขาดศีนได้คือไปร่วมหลับนอนกันถ้ายังไม่ร่วมหลับนอนกันนี่ก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลข้อสามแต่เขาไม่อยากให้มันเสี่ยงเหมือนกับน้ามันกับ ไฟนี่ยเขาไม่อยากจะเก็บไว้ที่เดียวกันเพราะโอกาสที่มันจะลุกขึ้นมาระเบิดขึ้นมาได้ mm. ก็เลยเก็บน้ามันไว้ห้องหนึ่งเก็บไฟไว้อีกห้องหนึ่งชั้นใดหญิงกับชายก็อย่างนั้นก็ไม่อยากให้มาแตะเนื้อต้องตัวกันมันเหมือนไฟลบไฟบวกเนี่ยความันเจอกันปั๊บมันจะดูดเข้าหากันเลย mm. หมดแล้วเลย สำหรับถ้าเราต้องเลี้ยงลูกหรืออะไรนี่มันจําเป็นก็ต้องอุ้มลูกมีอะไรก็รู้อยู่ในใจว่าเราไปไม่มีอารมณ์กับลูกใช่ไหมมันจะอุ้มไม่ได้ใช่ไหมจะจับเนื้อต้องตัวไม่ได้บางทีมันก็แบบเถ็นตรงเข่งแบบเถ็นตรงว่าจับไม่ได้หมดเลยนอกจากเราเป็นพวกอการจริตการวิปล่ยจับเนื้อของไข่ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นไครก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปแตะต้อง ถ้าเราไม่ได้เป็นการวิปลิตถึงขั้นนั้นจำเป็นที่จะล้องเลี้ยงลูกอุ้มลูกเลี้ยงลูกอะไรอาบน้ำให้ลูกก็ทำไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็ได้ <มา S 1> เดี๋ยวคล้อง<า>อ่ามากล้ว่ามาคำถามจากคุณรัตนาดิฉันต้องเดินทางทุกวันไปกลับร้0ยี่สิบนาทีเสียดายเวลาดิฉันพยายามนั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่ไม่ประสบความสาเร็จขอคาชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยค่ะ ก็เพราะว่าเราหยุดความคิดไม่ได้เพราะสติเรามีกําลังไม่พอก็ต้องพยายามถ้าดูลมไม่ได้ก็ท่องพุทโธพุทโธไปก่อนถ้าท่องพุทโธพุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดบทยาวๆหรือสวดหลายๆลอกก็ได้สวดไปก่อนถ้านั่งดูลมนั่งพุทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปภายในใจไปก่อนสวดอิติปิโสเนี่ยสวดไป สวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกเหนื่อยอยากจะหยุดสวดก็ค่อยดูลมต่อไปคําถามจากคุณปุกลูกเคยคิดว่านั่งสมาธิเสร็จแล้วอุทิศบุญพอพระอาจารย์บอกนั่งอุทิศไปก็ไม่ได้ลูกเลยหยุดแค่นั่งสมาธิเสร็จก็พอแค่นั้นถูกต้องไหมคะก็เวลาเรานั่งสมาธิเรายังไม่ได้ผลน่ะจิตเรายังไม่สงบมันก็เหมือนกับว่าเรา เราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ยังไม่ทันออกดอกเราจะเอาอะไรไปไปเอาดอกที่ไหนล่ะท่านถึงสอนให้เราอยากจะอุทิศบุญให้ไปทําบุญทําทานทําปุ๊บบุญเกิดขึ้นมาทันทีฉะนั้นจึงไม่นิยมที่จะอุทิศบุญจากการนั่งสมาธิจากการรักษาศีลเพราะหนึ่งมันมันไม่ได้รักษาอย่างบริสุทธิ์ สมาธิก็ยังไม่ได้ผลเองแต่ทําท่าทําทางเหมือนกับเพิ่งเริ่มปลูกต้นไม้เท่านั้นเองแต่ตัวผ ล, ลไม้มันยังไม่ออกดอกออกผลในเวลาเรานั่งพุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วเราก็อุทิศไปก็เหมือนกับเรากําลังปลูกต้นไม้แล้วเราก็อุทิศ ต, ต้นไม้ที่เราปลูกนะเมือนก็อุทิศไม่ได้ผ ล, ลไม้ที่จะเกิดจากต้นไม้มันยังไม่เกิด สมมติถ้าเรานั่งแล้วจิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมามีความสุขใจขึ้นมาอย่างนั้นน่ถ้าเราอยากจะอุทิศ ก, ก็อุทิศได้แต่ไม่รู้ว่าคนรักเขาจะรับได้หรือเปล่าผู้ที่รักก็าจะรับหรือเปล่าก็ไม่รู้พระอุตตจะไม่ไม่ได้สอนให้อุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธิให้อุทิศบุญด้วยการทาทานเพราะมันได้ร้อยเปอร์เซ็นตได้แน่นอน เพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของผู้ครองเรือนผู้สำหรับพระอาจจะอุทิศบุญทางจากจากการนั่งสมาธิก็ได้แต่ขณะหลงตาท่านก็ยังทาบุญอุทิศให้แม่ท่านเลยเวลาแม่ท่านเสียและวันครบรอบเนี่ยวันสามสิบพฤษภาษที่วันเปิดลกกรทาเนี่ยท่านก็ทำบุญแล้วก็อุทิศบุญที่เกิดจากการทำบุญนี้ไปให้แม่ท่าน อย่าไปเสียดายกันเลยถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ใส่บาตรไปแล้วก็อุทิศไปพวกที่ชบอบอุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธินี่ไม่ทราบเป็นพวกตันนีหรือเปล่าไม่รู้คำถามจากคุณชายยุทธเหตุใดดูแลร่างกายดีแล้วยังป่วยบ่อยๆครับร่างกายมันก็อาจจะ มีอะไรของมันที่มันเราไม่สามารถดูแลได้ครบถ้วนบริบูรณ์เข้าไม่ถึงร่างกายอาจจะมีอะไรที่มันการดูแลดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้มันป่วยได้ต้องไปถามหมอว่ดีกว่ามาถามเรา <c oughs> ตามเรื่องร่างกายเนะี่ยเราไม่ใช่อันนี้โค้ดธรรมะใช่ไหมคะท้าไม่ใช่ก็ไม่หชอหมอ คำถามจะคุณกีโกนค่ะขอศินจากพระไม่มีวิสูวิสูแต่เผลอไปบางข้อแบบนี้ถือผิดสินเฉพาะข้อหรือทุกข้อคะก็ไม่รู้แหละคำจริงผิดสินข้อหนึ่งแล้วจะทำให้ผิดศินข้อห้าได้ยังไงข้อห้าเราไม่ได้ดื่มสุราเราไปตบยุงนทําให้เราผิดข้อสุราด้วยเนอะไม่ผิดหรอกไม่ทราบคนไปคิดการวิจารณ์ยัยงไงก็ไม่รู้ใช่ไหม อ่าผิดสินข้อหนึ่งแล้วถ้าไปวิสุงวิสุงก็เลยผิดทั้งห้าข้อเลยเลยมันไม่รู้จะเอาเหตุผลที่ไหนม า, ม า, มาว่ากันน ะ, ะ <c oughs> ผิดข้อไหนมันก็ผิดข้อนั้นสิตอบยุงเราจะไปผิดข้อปฏิป ป, ป, ปวณีด้วยเหรอ <c oughs> มันไม่เกี่ยวกันอนะ่ะใช่ไหมผิดข้อไหนก็ทําผิดข้อไหนมันก็ผิดข้อนั้น จะวิสุงก็ไม่วิสุงก็ไม่สําคัญนะคำถามจากคุณประสิษฐ์บทสวดมนเวลาสวดบางคนบอกบทสวด น, นี้จะประสบความสำเร็จในชีวิตอันจริงขนาดไหนครับไม่จริงนั้นนะ่ะการสวด น, นี่เพื่อทําให้ใจเราสงบเท่า น, นั้นเองสวดบทไหนก็เหมือนกันสวดเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเท่านั้นเองคําถามจากคุณวันนี เราจะหาแรงบันดาลใจในการนั่งสมาธิจากไหนคะก็จะเข้าหาพระสงฆ์องค์เจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ผู้ที่มีสมาธิมากๆเมื่อฟังการพูดการสอนของท่านท่านจะบรรยายถึงพวกคุณของสมาธิว่าเป็นอย่างไรมันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาอยากจะได้ขึ้นมาเหมือนกับเวลาคนเอามาขายของให้เราเนี่ย ถ้าคนขายของพูดไม่เก่งเราก็ไม่อยากจะซื้อใช่ไหมอธิบายไม่ถูกว่าของเขาดีอย่างไรแต่คนที่ขายนี่ถ้าอธิบายว่าโอ้ดีอย่างงน้นดีอย่างนี้ก็จะทําให้เราเกิดอยากจะซื้อขึ้นมาดัางนั้นเราก็ต้องไปหาคนที่แสดงธรรมเก่งๆถ้าฟังแล้วมันก็จะทําให้เราเกิดศรัทธาเกิดความอยากขึ้นมาคําถามจากคุณลีโอ สีนข้อ3ครอบคุมถึงผู้ชายกับผู้ชายหรือเฉพาะผู้ชายกับผู้หญิงครับคือสินข้อ3นี้สำหรับคู่ครองอคือถ้าถ้าคู่ครองเราเป็นผู้ชายแล้วเราเราเร า, เราไปหลับนอนกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็ผิดทั้งนั้นเน่คือเรามีสิทธิ์ที่นอนกับคู่ครองเราเท่านั้นเองคนเดียวหัวเดียวเมียเดียวข้อสินข้อสานี้ อย่าเป็นเหมาเหมือนหมาเดือนเก้าวนี่ตอนนี้โอ้โหมันวิ่งเป็นฝูงเลยมันไล่ตามตูดกัน ก, กัดกันอะไรกันคำถามจากคุณรัชดานั่งสมาธิแล้วง่วงหนักมากแล้วลุกเดินจงกรมสักพักก็ง่วงอีกจนจะล้มจนต้องลุกไปล้างหน้าทอกับเวทนาแบบนี้เหลือกเกินขอกำลังใจและแนวทางจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ ถ้าอยากจะแก้ความง่วงก็ต้องอดอาหารอย่าไปกินอาหารลดปริมาณอาหารลงลดไปจนกว่ามันจะหายง่วงคำถามจากคุณอาร์ตการกำหนดพุโทโธเฉยๆกับการกำหนดลมหายใจเข้าออกกำกับด้วยพุโทโธแตกต่างกันอย่างไรครับก็ไม่แตกต่างกันอย่างไรก็เป็นวิธีที่เราสามารถใช้ทำใจให้เราสงบได้แล้วแต่เรา เราถนัดวิธีไหนเราก็ใช้วิธีนั้นไปจะใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้จะดูลมอย่างเดียวก็ได้จะผสมกันก็ได้พุทเข้าโธออกก็ได้แล้วแต่เรามันก็เป็นวิธีที่จะหยุดความคิดของเราทำใจของเราให้ว่างให้สงบเข้าถามจากนายหนุ่มสมัยเด็กๆ เ, เพื่อนชวนไปสอยลูกจันมาหนึ่งลูกที่วัด ด้วยความไม่รู้รู้สึกไม่ดีอยากจะนําไปคืนแต่หาไปคืนไม่ได้ถ้าเอาเงินไปถวายที่วัดเป็นการทดแทนสิ่งที่นํามาได้หรือไม่ครับได้เขาเรียกใช้นี่สงเลยใช้นี่สงก็ เ, เรียกภาติกรรมภาติกรรมก็คือเราของวัดไปแล้วเราก็เอาเงินหรืออะไรที่มีคุณค่าเท่ากันไปคืนวัดก็ได้หมดแล้วออ มีใครอยากจะถามอะไรอีกมหมยังมีเวลาอีกประมาณสักห้านาทีก็เรื่องสำคัญก็คือถามแล้วมันต้องนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาไม่ใช่ถามโกโก้ถามแล้วก็ลืมไปเดี๋ยวก็ถามใหม่อีก คำถามนี้มันควรจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นความถามแบบอยากรู้อยากเห็นว่าเป็นนู่นเป็นนี่อย่าไปอย่าไปรู้มันดีกว่าให้มันรู้ด้วยการปฏิบัติของเราดีกว่าความรู้ที่เราได้รู้จากการปฏิบัตินี้จะเป็นความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่เราได้จากการถามมันเป็นสัญญาฟังแล้วเดี๋ยวเราก็ลืม หรือว่าเดี๋ยวก็พอนึกถึงมานีกก็ถามอีกเพรนั้นถ้าจะถามควรจะถามปัญหาที่มันเกี่ยวกับการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติว่าทําอย่างนี้ถูกไหมหรือต้องทำแบบนี้แล้วเราก็ได้เอาไปทดลองดูแล้วเราก็จะได้รู้ว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ถูกแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาถามอีกเพราะเราจะได้พิสูจน์ ด้วยกับตัวของเราเองอย่างนี้จะดีกว่าถ้าอยากจะถามอยากให้ถามเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ก็อยากให้ถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอื่นเพราะ ม, มันไม่สาคัญรู้ไปแล้วมันจะไม่ได้ทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงในในในตัวเราสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเรานี่คือการปฏิบัติของเรามีอีกหมเข้ามา คำถามจากคุณปภาพันธ์นั่งสมาธิเกิดอาการง่วงแต่ก็คิดว่าให้หลับคาสมาธิเลยฝืนสงกกว่าจะผ่านไปได้แบบนี้ถูกต้องไหมคะก็ไม่ถูกหรอกเพราะถ้ามันหลับมันก็หลับแหละมันก็จะหลับในท่านั่งหรือหลับในท่านอนมันก็หลับเหมือนกันแต่มันก็ถ้าหลับแล้วเดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาก็นั่งต่อก็ก็ยังก็ดีนคำถามจากคุณนพลค่ะ ตอนเล็กๆ เ, เวลานั่งฟังครูสอนหนังสือโดยที่เราไม่คิดอะไรแต่ฟังคุณครูรู้เรื่องตลอดเช่นนี้เรียกว่ามีสมาธิใช่ไหมครับมีสติมีสติอยู่กับการฟังสมาธินี่มันไม่รู้อะไรเลยเวลาจิตสงบจะไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยจิตจะจะถอยออกจากความคิดถอยจากรูกเสียงกลิก่นรสจะอยู่กับความว่างทีนี้เรียกว่าสมาธิ สติก็คือการรู้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเรากาลังฟังแล้วเรารู้เรื่องที่เราฟังอยู่ก็เรียกว่าเรามีสติอยู่กับการฟังแต่เราใช้คำสติเราใช้คำสมาธิแทนสติกันเช่นบางคนพูดว่าวันนี้ไม่มีสมาธิในการทำงานเลยความจริงก็หมายถึงไม่มีสติอยู่กับการทำงานเลยใจลอยใจคิดถึงแฟงคงค น, นคิดถึงคนนั่งคิดถึงคนนี้ ความจริงต้องใช้คำว่าสติคำว่าสมาธินี่เป็นผลที่เกิดจากการเรานั่งหลับตาแล้วจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบนี้จะเรียกว่าสมาธิท่องถามคักคุณปาจารีก่อนจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมสงบบ้างถ้านั่งเลยไม่เดินจงกรมจะไม่สงบเลยค่ะแต่บางทีไม่สะดวกเดินควรฝืนนั่งต่อไปไหมคะ ก็ตามใจสงบไม่สงบนี้ส่วนหนึ่งมันอยู่ที่สติเป็นหลักถ้ามีสติแล้วนั่งก็สงบได้การที่เราเดินแล้วมานั่งนี่มันอาจจะเป็นวิธีสร้างสติขึ้นมาก่อนสมมติถ้าเราเดินไม่ได้เราก็ใช้การสวรดไปก่อนก็ได้เป็นการสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้าเราเดินไม่ได้เรานั่งล้วก็สวดอิติปิโสไปก่อนสวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าพร้อมที่จะนะ ดูลมเรื่องพุโทโธแล้วก็เปลี่ยนมาดูลมพุโทโธไปหมดหรือยังคาถามจากคุณธนพรเมื่อเรานำธรรมะจากการฟังไปเล่าต่อบอกต่อแต่สุดท้ายเราเหมือนเป็นตัวประหลาดว่าเราสุดตรง บ, บ้านดุดโลกบ้านถ้าเป็นอย่างนี้แล้วควรจะพูดหรือไม่ครับการจะพูดอะไรก็ต้องดูว่าคนฟังก็อยากจะฟังหรือเปล่า ถ้าก็ฟังก็พูดได้ถ้าก็อยากจะฟังก็พูดได้ถ้าก็ไม่อยากจะฟังก็ไม่ควรที่จะไปพูดคำ ถ, ถามจากคุณว่าัฒยาการเห็นอารมณ์ผุดขึ้นตลอดเวลาจนหน้าราคาญจะแก้อย่างไรคะก็ต้องหยุดอารมณ์วิธีจะหยุดอารมณ์ก็ใช้พุโทโธพุทโธไปแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะสงบตัวลงเาอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา